ที่นั่งนั่งสบายอ่างที่นอนก็ได้อ่างที่นอนน่าจะเข้าสมาธิได้ง่ายเนาะสักห้าทีตย์แล้วน่าจะเป็นอัปปนาสมาธิแล้วนะมั้งควจะเกิดนิมิดเลยเนาะจะพักเดี๋ยวนี้มิดเกิดแล้ว ในผักน้อยเสียงมันก็จะไม่ค่อยหมือนเดยนนี่จะเลี่งไปเลี่ยงมาไปต่างจัหวัดสองสามรอบวันพระหน้าวันที่แปดไปข้างนอกเช้าวเาียวไม่ได้อยู่คนรับงานไม่ดูปฏิทินคนนิมนต์ก็ไม่ดูวัพระวันจ้าย และปากก็แล้วคือพระในเวลารับที่มณ์รับที่มณ์งานไหนต้องไปงานนั้นก่อนไม่นงานแต่ปรับประบาดไม่ใช่ไปเจอแเลกร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าไอ้สองลาอาหารเบื่อเวลาอาหารนี้ไม่ได้ปรับประบาดไปตามลาดับยกเว้น ดาอนิสงเอออนิสงกะทินอนิสงเป็นษาสาสมารถทำได้แต่นอกนั้นดันไม่ได้ลกลับมาแบบนี่นีอะไรลอยฟังด้วยไปเสียงก็ผิดปกติวันนี้วันนี้ทั้งวันฉันเสร็จก็ไปวัดป่าก็มากระเที่ยงบายกว่า งานสารพัาค่าเย็นจริงๆแล้วหลวงพ่อมีคนมาสอนธรรมะทุกวันนี่เดี๋ยก็มาถามธรรมะนั่นแหละคำถามคนมีคำถามก็ ค, นน ค, มคือคนมีปัญหา คนที่มีปัญหาก็อคนที่ไม่มีคำตอบอัอ น, นี้คือวันจวนในลักษณะนี้เขาแต่ว่าเขาจะรู้ตัวไหมรู้ตัวหรือเปล่าโดยประมาณก็ประมาณนี้ก็ได้พูดคุยแลกเปลีย่ยนให้เขาพูดคนที่มีปัญหาตัวเขาเล่าต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะเขามีปัญหามาเยอะเราอยู่นิ่งนึ่ง เราแหกเขาพูดเราก็ป้อนคำถามเป็นยังไงยางไปางไปัญหาคืออะไรเขาก็จะเล่าอะไรบางแต่ถต้นจนจบเราก็ค่อยพูดก็ค่อยถามปัญหาบางอย่างปริยมก็ไม่ตอบ ผู้ใจใช้วิธีหนึ่งคือฟังแล้วก็เฉยๆเพราะว่าการนิ่งคือการตอบการตอบปัญหาอย่างหนึง่งเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วมันอาจะเกิดความเสียหายมากกว่าทารับไม่ได้พรอมันตืออย่างนั้มานานแล้วมาทําอย่างนั้นมานานแล้ ว, านานลวคิดว่ามันถูกมานาน ปัญหาวันนี้ก็เช่นเดียวกันสะดวกคือปัญหาแกงหาะมันแยกได้ออกปัญหาแกงเหอก็คือถามว่าถามง่ายๆปัญหาคืออะไรคำตอบก็คือ ก็อย่างที่ผมเล่านี่แหละครับเออเรากให้ตอบยังไงดีเรามาเป็นครึ่งชั่วโมงถามอยากได้คาตอบตรงไหนอยากให้คำแนะนำตรงไหนหรือว่าตรงไหนคิดว่ามันเป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาอันนี้เป็นกันเล่าให้ฟังเฉยๆหรือว่าต้องการคำตอบ บอกแล้วแต่คือไปผักพระอาข้าพเจ้าหมดเลยอะ่ะก็คือปัญหาพื้นฐานนะสรุปก็คือทุกซึ่งมารู้ทุกมาจากไหนก็ไม่ถามหาทุกมาจากไห น, ไหาาไหนบอกเดยว่าโอ้มาผมมันมันทุกทรมานเหลือเกินหลายเรื่องทั้งตนเองทั้งครอบครัว ทั้งการงานโอวันเหมาหมดเลยในการที่เขาพูดเราเหมานะเป็นผู้เราเหมาแล้วมันโหเจ๊งแล้เนี่ยวันนี้มีกําไรอะ่ะคือไปเหมาเขาเองหมดเลยแถมยังไม่พอไปใจดีใจกาว่าใจดีคือทั้งเจ็บทัง้งแถมแล้วก็เดือดร้อน เพราะว่าพระสอนว่าทำบุญเนี่ยยิ่งทำยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งได้ก็คิดเป็นการทำบุญก็ถามเอาพระองค์ไห น, นามนาสอนเขาก็อบอกชื่อแต่เราเราไม่ระบุหรอกคือสอนให้ทำบุญนะ สมน้ยโยมมีร้อยแต่เขาต้องการร้อยห้าสิบโยมจะต้องทำร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่แล้วห้าสิบมาจากไหนเอาง่ายๆนี้คุณมีอยู่ร้อยหนึ่งแต่พระเขาต้องการร้อยห้าสิบอันนี้ใช่ตัวเลขเล็กนะนจริงมันเยอะกว่านี้ถ้าขนาดนี้มันคงไม่ลำบาก ถ้าถาม่าเอกห้าสิบมาจากไหนอยากบอกนว่าถ้าไม่มีก็ไปหาวิธีอื่นมาเพื่อให้มันมีครับนั่นเห็นไหมมันเกินกำลังไหมมันเป็นบุญไหมรู้หรื อ, อยังเราทุกมาจากไห น, นก็ทุกมาจากห้าสิบบาทนี่แหละมันไม่ได้เยอะเลยทานร0อยบาทขนาดร้อยบาทก็ยังทุกเลยนะ เพราะวันจิจะกินอะไรเนี่ยเาเรียกว่าหาหาสตังมาได้พระก็สอนให้ใช้สตังก็เราก็พูดอยู่เสมอว่าสตังกับสติมันคู่กันนะแต่เป็นพวกเราคงมีปัญหาสรุปคือเน้นทานเป็นหลักศีลสทีส่ปัญญามันไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยกับไม่สอ พระตัวพระสอรไปก็ไม่ได้ประโยชน์เนี่ยคือนี้คือความเห็พระเวลาแสดงก็เหมือนกันก็บอกว่าท่านก็เทศดีคือพระตัวรูปเทศดีหมดอะเทศก็คือแสดงนั่นเองคําว่าเทศคือแสดงเนเทศนาก็แปลว่าแสดงคำว่าแสดงแสดงตนหรือว่าแสดงธรรมเราแยกออกไหม วิธีท่านแสดงนะเป็นแสดงตนหรือแสดงธรรมแต่แสดงตนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแสดงธรรมเรื่องนงเอาอย่างนี้เพื่อเป็นมาตรฐานวิธีคิดในการดำรงชีวิตให้เอาพระรัตนตรัยเป็นหลักให้คุณเอาพระรัตนตรัยเป็นตัวตั้งเลยระดับหนึ่งคือพุทธเจ้า พุทธังแสดงก็สางนี้พระพุทธเจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าที่ท่านแสดงมาทั้งแสดงตนหรือแสดงธรรมมันตรงกับพระพุทธเจ้าไหมอย่างมีร้อยให้ทำร้อยห้าสิบไงมันได้ไหมพระพุทธเจ้าสอนไหมใครคิดอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนแล้ะพระองค์นี้เอาอะไรมาพูดพระองค์ น, นี้ก็แสดงเต็มไปด้วความโลภ ไปโดยตารหาดังนั้นเราต้องเชื่อฟังอันนี้เป็นกติกนะมัดนี้ไปพูดอิจฉาตาร่อนใครพูดให้เรามีสติในขณะที่เราใช้สตางค์เกินพูดทงสนังก้าจานข้าพรยะเข้าถึงพูะยาว่าวปเป็นที่พึ่งแล้วพระติยาเพิ่งได้อย่างไรธรรมังสนังก้าชามิหลักธรรมที่พระองค์ตรัส ของควกนี้มีไหมและท่านได้อธิบายหลักธรรมอย่างนี้ไหมในการใช้ชีวิตเริ่มต้นจากเราเป็นคารวะญาติโยมมันต้องใช้สตุ้งสตังเป็นหลักาคุณสมบัติของคารวะญาติโยมคืออะไรเอาตัวเองก่อนคุณสมบัติของเราคืออะไรคารวะฆราวาสคระอาวาส คาระคือเรือนอาวาสคือได้อยู่ไม่เป็นคนของเรือนก็นคือชาวบา้านพูดง่ายๆคารวาสคืออะไรคนหนึ่งสัจธรรมคันติจารคะนี่คุณต้องสมบัติที่พระเจ้าสอนอ่านพูดยาได้เลยว่านี่เป็นคําพระเจ้าสอนสัจจะคือต้องอยู่กับความจริงไม่ได้แปลว่าซื่อสัตว์อย่างเดียวเราต้องอยู่กับความจริง อย่าไปอยู่วความเท็จความไม่จริงอย่างเช่นในคุณมีร้อยนี่คือความจริงนะแต่คุณต้องไปหามาาได้เพิ่มเพื่รพบว่ามีค่าสิบบาทอันนั้นเราขอไม่จริงเนยะความจริงมันมีแค่ร้อยแต่ความไม่จริงเพิ่มมาอีกแต่ห้าสิบอันนั้นก็ไม่ใช่สัจจะละไม่ใช่คุณเอาสุบะของเราละในคารวะารําไม่มีก็ไปขอรัไม่ใช่สัตว์ว ต, ตัวที่เอง บุญทุกคนอยากได้ก็พยายามทุกคนทุกท่านทุกรูสอนสอนเรื่องบนตานั้นแต่ต้องอย่าลืมว่าก่อนทำขณะทำทำไปแล้วต้องไม่เดือดร้อนต้องไม่เป็นทุกข์บุญต้องไม่เป็นทุกข์ต้องไปจบลงที่ทุกข์แต่คุณมันถูกอะ้รมันเป็นบุญตรงไหนล่ะใช่ก็จะกลายเป็นบาปไปแต่มำไม ถ้าเราเชื่อผูอ้เทศเที่ยนะท่านเราไม่เชื่อครูบาอาจารย์นะพูท่านกับพูดด้วยภาพรูร้ว่มก็ดีอันนี้คือข้อแรกสัจจะธรรมะต้องมีการฝึกฝนมีการพัฒนาตัวเองในในทุกระดับชั้นระดับง่ายๆแตบบ ก, กลางๆหรืออย่างถึง ท, ที่สุดในการฝึกตัวเองทุกระดับชั้นเนี่คือธรรมะ กรรมธรรมะต้องผู้คนฝึกฝนทรมานตนเองฝึกทั้งกายฝึกทั้งวาจาฝึกทั้งใจอย่างคำว่าฝึกคุณสมบัติเราเนี้คุณหนีไหมคนก็ไปฟังอย่างเดียวว่ามันดีเแ็จแล้วก็ไปดีเพราสภาอันนี้คือธรรมะนคุณสมบัติข้อที่สอนสัจธรรมะขันติอันนี้คืออดทนอดกลั้นต่อทุกสภาวะ ที่มีอยู่อดทนทางกายอดทนทางวาจาแม้ด้วยใจนี่คุณสมบัติคุณสวบัติเหล่านี้จะเกิดจากการฝึกจากการพัฒนาเท่านั้นที่ทจะเกิดขึ้นได้แต่ใครไม่มีกติมีระดับกตาก็มีต่อไก็คือจากทะจากทะนี่เปรียบวสละซับอย่างเดียวจากทะคือสละนี่เปรียบวัสละสละ ของไม่ดีออกแ ก, ก่จิตออาแกะแก่ตัวเองอเรียกว่าจากะ่าคุณสมบัติของจากฆ่าเนี่ยท่านก็บอกไปแล้วว่าเริ่มต้นจากฆ่บอกจากโคปฏิทิศโคมุตติอานาอะไรอยู่จากโคคือจากฆ่คือสละออกไปแล้วปฏิติสโคจำไหมครับคือไม่เอาคืนจำไม่ทบทวนแต่ไม่ลํา บ, บากกันไม่ถึงร้อน มุติคือพ้นจากมือหลุดจากมือไปแล้วอนารโยคือไม่ต้องมีความหองหาอะไรอาวงเนี่ยคุณสบัติถามว่าคุณสบัติทั้งหมดเนี่ยมีไหมถ้าไม่มีคือแปลว่าความเป็นคาราวาะของคุณก็ไม่ครบเนี่ยคือการคล้องเราของคุณก็ไม่ครบนี่คือคาราวะาจะทำคือทำของคาราวะา ท, ทุกคนจะต้องมีอย่างนี้คุณสบัติ งั้นคุณสบายเขาคงก็จะไม่มีพอเริ่ต้นสูไปอีกสินสมาธิปัญญาคุณก็ไปเชิญฟังพระอีกพระบอก ว, ว่าต้องสละเยอะต้องฝึกสติซึ่งก็ไปรู้ว่าจะฝึกยังไง ร, รู้แต่ว่าให้ฝึกสติให้เจริญสติเจริญ ย, ยังไงก็ไปรู้เจริญตอนไหนเจริญ น, นั้นเป็นยังไงผลของการเจริญแล้วมันไดมากได้น้อยจนสุดท้ายก็คือสุดตรง ละเลยครอบครัวละเลยหน้าที่การงานอาชีพที่มีอยู่แล้วก็ลําบากกลายเป็นปัญหาครอบครัวถามว่าดีมั้ยดีแต่ภารกิจเรื่องโลกเรื่องธรรมแยกไม่ออกว่า น, นี้เป็นเรื่องโลกอันนี้เป็นเรื่องธรรมอันนี้เป็นเรื่องสตังนะ น, นี่เป็นเรื่องสตินะแยกไม่ออกนะแล้วคนก็ประหลากไปนี่ไปลงตัวเองว่าทําบุญแล้วไม่เห็นบุญตอบแทนเลยไปทวงบุญดวงคนอีกใช่ไหม มันมีไหมพุทธเจ้าสอนไหมพุทธัทงสนังก็จะกลับมาที่เดิมอีกนะเนี่ยก็ทําอย่างนี้ในชีวิตประจําวันทำมังสนังก็จากนี้หลักธรรมจริงๆก็สอนอย่างนี้ไหมสังฆสนังก็จากนี้หมายถึงพระอริยะไม่ใช่พระสงฆ์ทั่วทั่วไปที่เราไปยินไปฟังที่ท่าวัดระวังเพราะเราได้เชื่อได้ศรัทธาแลา้วยากเมือทตัวันนี้พระสงฆ์โอบยาว หลากหลายสารพัดซื้อเอาก็มีเป็นประเกตหนึ่งสองเมือนห้าก็ไปในผ่านได้แล้ว อ, อยู่กันสองเดือนสามเดือนเจ็ดเดือนก็สําเร็กกันแล้วคนก็ออกมาเล่าเล่าเล่าเล่ า, ลาก็เหมือนกับคุณไปอ่านหนังสือเล่มมาแล้วคณก็บอกหนังสือเล่มนี้ดีก็มาเล่าให้ชันวางฉันก็เป็นผู้ฟังแตเดีเยวเรื่องที่ดี จริงๆเนี่ยคนรู้เรื่องหมดแล้วหนังสือที่คนอ่านคนรู้เรื่องหมดหมายกับสิ่งที่คนทํามาทั้งหมดอ่ะคนรู้เรื่องอยู่แล้วแต่คนไม่มีสติแต่คุณบอกคุณเจริญสติเจริญตรงไหนเจริญยังไงเจริญสติแล้วมันเดิอดร้อมันมีที่ไหนคุณจะซ่อนตรงไหนเจริญสติไม่มีร้อนไม่มีแต่เย็นมีแต่สงบมีแต่สบายมีแต่ดีขึ้น ที่พัฒนาที่จะอกภ า, าวานาคนที่ภาวานาเป็นอย่างนี้นั่นไม่ใช่ภาวานาเราจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้มันแค่ทานมันแค่สตังมันเป็นเรื่องของโลกมันแค่สวงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันมันยังไม่ไปไหนมาไหนเลยแต่พูดในทางธรรมแล้วมันไม่ไปไหนมาไหนถ้าเป็นพูดอย่างงา่ายแค่หลักสงังคมส่งเคราะห์ เราเขาเส้นกันแลกกันท่านนั้นเองก็เลยคุยกันว่าถ้าเรามีปัญญาหาสตังมาได้แต่ไม่มีปัญญารักษาเนี่ยก็ต้องมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนพวกนี้ยังไงพูะุทธเจ้าสอนอไุ้่าหมดไม่มีตรงไหนที่พูพุทธเจ้าไม่สอนเพียงแต่ว่าเขาจจำกัดของเราคือ เมื่อเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์ีที่เราศรัทธาแล้วมันประจบที่ศรัทธาเราไม่ใช่ปัญญาเราที่มีอยู่ไปต่อยอดคือไปคิดต่อว่ามัน ม, ม, มันใช่ไหมมีร้อยใช้สองร้อยมันใช่ไหมเพราะคําว่าบุญนี่แหละเนี่ยมันก็เลยลําบากลําบากทำให้ตัวเองไม่ได้ลำบากตัวเองครอบครัวก็ลาบากขึ้นแล้วมันเป็นบุญอย่างไรเลยถามว่าเป็นบุญไหมบุญ ความพร้อมมันไม่มีความพอดีมันไม่มีอมุ่งปฏิบุรเป็นหลักเพราะไปเชื่อคขวานจาันสุดทาก็ไม่เหลืออะไรเพสุดท้าก็ไปทดบุญโทษบาปเอนพอบุญเปจริงไม่บาปปจริงไว่อ่าเป็นงานไปกลายเป็นวิชาที่ถีแพลมันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเราททเกิดวิชาทิ่ถีเงี้ยมันไม่ใช่อันนี้คือข้อจากัดเพราะอะไรเพราะาเราเป็นหลงตั้งนานแล้วคือหลงบุญ คมบุญก็คือทานนั่นแหละเพราะนั้นคารวะญาณมุ่งเริ่มต้นในบททานสินภาวนาแต่ฝ่ายปฏิบัติท่านเริ่มต้นสินสมาธิปัญญาฝันประชิดนักบวชผู้ปฏิบัติอย่างพวกเรานเริ่มต้นที่สินสมาธิปัญญาได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเน้นเยอะเรืงสัตุสต้สัตตางตามีมตากาลังมีเท่าไรเท่านั้นมีสิบทานสิบมีห้าทานห้าตากําลัง พอแล้วอี่ยวไปให้มันเดือดร้อนอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนทาเท่าที่ได้แล้วเท่าที่มีเพราะมันยังจําเป็นจะต้องใช้เพราะอันนี้คืออุปสรรคและปัญหาที่มีอยู่ของพวกคุณนั้นทีเ่เล่ามาทั้งหมดนะ่ะก็เข้าใจแต่ว่าคนที่แก้ปัญหาคนอื่นแก้ไม่ได้ตัวเองแต่มาพูดๆอยู่ไปก็แก้ไม่ได้คุณตอนนั้นจะไปแก้ปัญหาได้ตอนต่อไปนี้ ในหนึ่งร้อยบาทเนี่ยคุณจะไปปล่อยไปหมดร้อยบาทไม่ได้อุอยาบอกว่าสี่ส่วนนะยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ย่ห้าเปซ็นยห้าเปอร์เซ็นต์สี่ส่วนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนยี่ห้าเปอร์เซ็นตก็คือเก็บกินแล้วก็ฝากไว้เพื่อนาคตแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ต้อง ม, มีวี่ในส์สมมูรณเรื่องของ ทำบนญหรือสางคมสงเคาะแล้วแล้เรื่กงแต่คุณวานกะี่ห้าเปอร์เซนหมดงบยี่ห้าเปอร์เซ็นสมมติร้อยี่สิบห้าบทหมดยี่ห้าบาทแล้วก็ต้องตัดใจนะว่าต้องทําใจเราหมดงบแล้ ว, เ, ลวเดือนนี้เราทําบนได้แค่นี้แค่นี้นจะมีปัญหาใด เ, เลยเพราะไม่งั้นเวลาเราเดือดร่อนนะใครช่วยเราไม่ได้นะเจ็บแค่ได้ป่วยพึ่งใครไม่ได้นะโดยเฉเรื่องที่ใช้ใจชีวิตประจําวันมันก็นจะเป็นต้องใช้ อีกเร่องคือเก็บเอาไว้ใช้ในเวลาจำเป็นก็แบ่งชัดเจนอย่างนี้มันจำไม่มีปัญหาเด็เลยคุยอย่างสอนเอาไปหมดแต่พันพูดเป็นภาษาโบราณเอาไปใช้นี่เก่าใช้นี่ใหม่เอาไปฝังดินเอาไปเลยลงทะเลลงแม่น้ํานะความหมายประมาณคือใช้ใจคือจมันนั่นแหละคือใช้แล้วหมดเลยเอาใช้นี่เก่านี่เก่าก็คือใช้พ่อใช่แม่ให้ไป ผู้อื่นพคุณบ้าใช้นี่ใหม่ก็คือปัจจุบันนี่ใหม่คือนี่คือที่เราก่อนี่เก่าคือพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่นะ่ะเป็นคนอุปถัมภ์ค้ำชูเราเอาไปใช้ท่านบ้างหรือว่าใช้นี้เก่านี่ใหม่คือนี่ที่เราก่อเองคือครอบครัวทํามาหากินอาชีพนี่เขาเรียกว่านี่ใหม่มันจำเป็นต้องใช้มันจําเป็นต้องใช้แล้วก็เก็บถึงส่วนหนึ่งก็คือเก็บเลยอันหนึ่งก็คือกิน ต้องมีทั้งเก็บต้องมีทั้งกินเราเรียกว่าธรมาหารกินถ้าแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างเนี้ยิบหา้อหาอยู่ห้าอยู่ห้จะเดือดร้อนเก็บก็คือเก็บเพื่ออนาคตจริงๆเก็บเพื่อชนะคือทำบุนนั่นแหละมันจะเป็นอริยทรัพย์จากโลกียทรัพย์มันก็เป็นทรัพย์มันก็เป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในนั่มันจําเป็นแต่ในคุณมีร้อย แต่ใช้ร้อยก็ถือว่าหมดแล้วนะไม่มพอร้อยห้าสิบอีกเห็นมไหมมันผิดธรรมชาตินมันผิดคําสอนที่พระเจ้าพระเจ้าไม่สอนอะไรก็ตามที่พระเจ้าไม่สอนบุทรทางกนังกจานี้อย่าไปทําอะไรที่ไม่มีอยู่ในหลักธรรมคาสอนของพระเจ้าธํามบังสนังกจานี้ก็อย่าไปทําอะไรที่พระอยะสงฆ์พระแม่ครูอาจารย์ครูปฏิว่าิ ด, ปาดีปฏิบัติชอบ ท่านแม่แนะแม่นำไม่บอกเกิดยาไปทำเนี่ยไปฟังใครก็ไม่รู้ไปจำํำก็มาไปจํนานที่นั่นที่นู่นแล้วก็เอามาถามมาพูดกันมันมีประโยชน์อันใดมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเหมือนคนถามก็มันไปอ่านหนังสือแล้วก็มาถามกันถาว่าห น, นังสือเล่มนี้ดีไหมว่อาอ่านจบแะบอกคนดีมั้วเอ็งจะถามข่าทําไมเอ็งเป็นคนอ่านอ่านเสร็จแล้วก็มาถามหนังสือดีมีดีไหมอ้าว เออ้าถาาว่ทำอย่างนดีไหมพอสุดท้ายก็คือคนไม่มีหลักคิดเลยไ ม, ม่หลักมีรอ ย, เ, ยเหมือนเราไปดูเศรษฐีหรือเกือบเที่อไปฟังเสมยอยตอนเศรษฐีคนที่มาร้อยล้านปานานต่อยอาลีบาบาว่าคนมีมืเป็นแสนล้านเราก็แหาไปดูหน้าตาเศรษฐีเออหน้าตาเป็นอย่างนี้ไปครัวอาจารย์กระเมือนกันแทนที่ไปดูว่า เขาเป็นเิรษฐแสนล้านนะ่ะเขาทําอย่างไรหนึ่งสองสามสีเขาถึงจะเป็นเศรษฐีได้ตรงนั้นต่างหาคือสาระคือประเด็นไปหาครูอาจารย์เช่นเดียวกันก็ต้องมาดูว่าท่านปฏิปทาของท่านเนี่ยที่คนเคารพนับถือเป็นที่เชื่อฟังเป็นที่ศรัทธากับศรัทธาไปจนไปไปท่านปฏิบัติอย่างไรหนึ่งสองามีเนี่ไม่ใช่ไปดูไปกรบไรๆหล้วโอ้ยปื้มปิติวันนี้ได้เห็นได้เจอหลวงปู่ หลวพ่อหลตาแล้วโอ้ปิติมันก็ได้แคนั้นแ่ะแล้วเราก็จะเป็นอยู่กันอยู่อย่างเนี้ยสภาว้านหลวงพ่จะเป็นอยู่อย่างนี้แทนที่จะเอาน้ําทำกรรมสอนของท่านเกิดเล็กเล็กน้อยที่มันอยู่แล้วลมันทําแล้วมันได้ประโยชน์มันเกิดประโยชน์กับพวกเรามันถึงจะเป็นประโยชน์เป็นย้ําอยู่เสมอว่าต้องเอาพระเจ้าเป็นหลักนะคือระตรรมใจเป็นหลักเอาพระธรรมคือหลัก คำสอนหลักธรรมชาติควาจริงย้ําอยู่เสมอว่าเราต้องอยู่กันด้วยเหตุด้วผลและองค์ความจริงก็เลยเอาสามคำมาพูดมาย้อนถามเขาว่าเหตุผลที่คุณบริจาคคืออะไรคุณต้องมีเหตุผลคุณต้องอธิบายได้คุณต้องคำตอบได้คุณต้องตอบครอบครัวคุณได้อันนี้คือเหตุผล ทำไมมีร้อยทำไมคุณต้องทำบนร้อยห้าสิบเหตุผลคืออะไรมันเกินจริงคุณทำเกินความจริงเหตุผลยังไม่พอมันต้องอยู่กับความจริงด้วยความจริงคือร้อยแต่ความไม่จริงเพิ่มอีกห้าสิบบาทนี่คือข้อเท็จจริงคือมีข้อเท็จแล้วก็จริงอยู่ในตัวคุณจะเอาไหนเอาข้อเท็จจริงก็อยู่กันอย่างนี้ แต่ถ้าอูข้อจริงคื อ, อจะจ่าคือร้อยเพราะนั้นต่อไปคุณต้องเบรกว่าที่ร้อยอยุติว่าที่ร้อยเต็มที่ที่ร้อยแต่1้อยคุณก็ยังลำบากเลยนะแต่มันไม่ลำบากเกินตัวะ น, นั้นถ้าดียังต้องน้อยกว่าต้องเหลือมันถึงจะอยู่ได้นั่นคือความจริงแต่คุณไม่อยู่กับความจริงคุณอยู่เลยความจริงไปหน่อยมันก็ลำบาก มปโทษจะตากรรมว่าใดไปโทษบุญโทษบาปไปโทษอนะไรไม่ได้โทษใครไม่ได้คุจะไปโทษอย่าไปตํำหนิมันเกิดเป็นโทษกับ ต, ตัวคุณเองเราไปโทษบุญโทษบาปเราทําบุญแล้วทำไมไม่ตอบสนองไปคิดอย่างนั้นอย่างนั้นเราบาอาจารย์สอนก็ อ, อุปมาอุปมาให้ฟังในพุทธการก็เช่นเดียวกันไม่ได้ไปแปล ว, ว่าท่านพุทธเจ้าไปปลดคนนี้ด้วยสูตรนี้ โดยหลักธรรมข้อนี้แล้วใช้ได้หม ก, กับทุกคนมันไม่ได้อย่างเช่นทำม้จากเนี้ยถ้าสมมติว่าเทศแค่นี้เองแล้วได้สำเร็จบอกผลทั้งผานมันกี่ประโยคไมันกี่คำอันนี้คือข้อจริงแต่ข้อเท็จก็คือที่เราไม่รู้ก็คือทั้งห้าท่าน ขังโกตัญญะมาปราะพัทธมหาอาาัจฉริเดีวปัจเจ้าขี่ตังหะท่านบำเพ็ญมากี่พบกี่ชาติแล้วก็วจะไปเอาปัจจุบันทีไม่ใช่ใครก็ได้ปนันงเสนาภรณ์สาเร็จมันไม่ใช่อันนั้นคืสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราควรจะพึงคิดต่อครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันในหลักธรรมหลายๆเรื่องดีบางเรื่อ ง, องสอนเฉพาะตัว เฉพาะบุคคลพราะพระุทธเจ้ารู้ว่าถ้าพูดอย่างนี้สอนอย่างนี้แล้วในอดีตชาติคนคนนี้ท่านนี้เคยปฏิบัติอย่างนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วมีวาสนามีนิสัยอย่างนี้กันมานานพี่เพื่ปนมาต่ตอยอดสกิดเตือนนิดหน่อยในปฏิปทาแต่ละท่านแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเพราะนี้คือวิธีสอนของพระพุทธเจ้านะของขบ ว, กวนการเช่นเดียวกันของขบ ว, กวนการ ยิ่งตาลพัดระวังเพราะว่าคำ ว, ว่าครูบาอาจารย์ในระดับไหนอาจารย์ที่เป็นนกแก้วนกขุนทองก็มีเยอะอาจารย์ที่เป็นแสดงธรรมหรือแสดงตนอันนี้ก็ตึงบอกว่าการแสดงตนการแสดงด้วยความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้แสดงธรรมอธิบาออยกับยาของ ค, คือแสดงตนก็คือ ท่านมีควาเป็นมายังไงลําบากยากแค้นขนาดไหนปฏิบัติอยูก่กับองค์นั้นอยู่กับนี้อยู่กับองนู้นเปลี่ยนลูกศิษย์หงพ่อหลวงตาแลวพี่หลวงนะาองอาองคนั้ น, น, น โ, โนะ ง, A, ง น, น, งนี้องนู้นนี่นคือการแสดงตนมนะันแปลว่าอะไรแปลว่าองิงแบรนด์ อ, อิงยี่หอ้อสมมติเป็นลูกศิษย์ลตามหาบัวเป็นหลวงพ่อแวนมันก็อาจจะใช่นะไปอยู่ไปทางสองวันสามวันเดือนสองเดือน ถาว่าคุณสมบัติของลูกแหวนลูกตามาโบนคุณมีสมบัติเหล่านั้นหรือห ม, มที่ไปอ้างเป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อของท่านมันไม่มีแต่ว่าคนฟัง่ะมันศรัทธามันเชื่อไปแล้วเป็นลูกศิษย์ก็ไม่ได้แปลว่าดีหมนท่านตุความหมายอันนี้ก็เราก็ต้องพึงระวังดีเพ่าะละเพราะว่าบางคนก็ไป อ, อยู่ในยกสุดท้ายเรียกว่า อ, อาจารย์ ที่อิงที่อ้างหลายคนไปอยู่เมื่อท่านไม่สบายมากแล้วอย่างสมมติหลวงปู่แหวนนยุคประศรีาร์้อยยี่สิบแปดปีที่ทนมโนภาลังเพร า, าะก่อนนั้นท่านก็นั่งรถเข็นล้วยไม่สบายบางคนก็บอกไปฟังเทศไปฟังธรรมหลวงปู่ไปฟังตอนไหนหลวงปู่ทาอะไรไม่ได้แล้วก็ยังไปอ้างตนว่าไปฟังธรรมไปเจอหลวงปู่เนี่ยก็มีในประวัติหลายองค์ก็มาอยากตามทวง มไปไปไม่ได้หนักหนักไปกว่านั้นคือหลังสัปานั้นร้ยี่ไปไปแล้วพูดง่ายก็บรรณภาพไปแล้วเพราะคุณก็บอกไปไปฟังรรมงปูอมาอยู่ไปฟังตอนไหนฟังตอนเข้าสมาธิหรือเปล่าอันนี้ยิงยงตลัดมาชัดเจนเลวเจตนาคืออะไรถึงบอกว่าเราฟังนี่ก็ต้องใช้สติปัญญาอย่าไปเชื่ออย่างเดียวต้องมีสติมีปัญญาอธิษฐานคือหลัก หลักคิดหลักพูดหลักทำบอกอย่างแนอยู่เสมอว่าคนนั้นแนะได้ไหมนำได้ไหมท่านเน็ดเฉย เ, เยอะและว้วบอกคนรู้ทำกับคนมีทำหลวงพ่อถึงพูดอย่างนี้เสมอว่าคนรู้ทำน่ะมันเยอะแจกแจงได้หมดแต่คนมีทำมีน้อยปฏิบัติมีทำมีน้อยครับมีทำเกิดจากอะไรคนรู้ปฏิปทาของท่านเป็นตัวชี้บอกเป็นตัวชี้วัด สินยืนในระดับไหนบ้างน้อยขนาดไหนสมาธิคือยืนเดินนั่งนอนในขนาดไหนปัญญาที่ชี้แจงแสดงพระุูดแต่ละคำแต่ละที่แต่ละประโยคที่ออกมาออกจากกินออกจากใจมัมันเป็นอัดเป็นธรรมมั้ยมันเป็นอมตะมั้ยมันอิงคำสอาของพุทธเจ้ามั้ยต้องใช้สติปัญญาไม่ใช่เอาแค่ศรัทธาแล้วก็จบสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนี้ศรัทธาแล้วศรัทธาเลย โดยไม่ใช้สติปัญญาที่เรามีอยู่เพราะสติ ม, ญญมันไม่เกิดปัญญาไม้เกิดก็ใช้แค่ศรัทธามันก็ไม่ครบองค์ประกอบศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีทั้งหอย่างคุณใช้ศรัทธาอย่างเดียวคุณอื่นคุณไม่ใช้เลยคือเชื่อเคารพเข้าใจนะดีไม่ใช่มันไม่ดีแต่มันคุณไปหยุดแค่ศรัทธาคุณไม่ไปต่ออย่างอื่นเลยนะมันก็เป็นอย่างนี้ไง ชีวิตเราถึงได้เป็นอย่างนี้เพราะมันไม่ครบถึงบอกฝากพวกเราทุกคนว่าควาเป็นคารวะญาติโยมคุณสุศบาดที่เล่ามามเกี่ยมัต้องครบนะจะเรียวกว่าคารวะได้ผู้ปฏิบัติทรรมได้แต่คุณอุับาดของคนที่มีอินทรีย์แก่ก้าปฏิบัติแล้วอินทรีย์มันแก่ก้าสมบูรณ์ครบคือมีพลั ง, งมีกําลังนี้อินทรีย์แก่ก้าที่เราขาดอารมแล้วมาใช่จบที่สุทาง มันต้องจบที่ปัญญาทุกอย่างต้องจบที่ปัญญาธาตุสี่ขันห้าที่เรามีอยู่นี่เช่นเดียวกันถ้ามันไม่จบที่ปัญญาแล้วมันก็ได้แค่ศรัทธาเหมือนศรัทธานด้แคเห็นได้แคร่รู้ได้แค่เห็นว่าคือดินนี่คือน้ํานี่คือลมนี่คือไฟนี่คือรูปนี่คือนามแต่เราไม่มีการกําหนดรู้ขอบคุณเลยกำหนดรู้กำ ห, ด, ำหดละไม่มีการปล่อยวางแกเคยมาจากไหนไม่มี สีปัญญาที่งหนักพี่เกิดไปนั้นไม่มีสุดท้ายก็เหมืนกัแบกกันไปแบกกันมาท่าเสียกันหนาทะเลาะกันก็ท่าเสียกันหน้าอลไรมาทะเลาะกัน ต, ตาทะเลาะตาตาทะเลาะปองหูทะเลาะปากเกิดกันทะเลาะก็วิวาทะแปลว่าวิวาทะคือความเห็นต่างกันวิวาทะคือพูดต่างกันอัน น, อนี้บอกว่าดีนี่บอกว่าไม่ดีนี่คือเรียกว่าทะเลาะเรียกว่าวิวาทะวาทะคือพูดอย่างนี้น วิปัสสนาเกิดการแตกต่างกันคุณหนบอกว่าดีก็เราไม่ดีไงเห็นต่างกันแล้วที่เกิดการทะเลาะไงทะเลาะก็เห็นไม่เหมือนการเห็นไม่ตรงกันเรียกว่าทะเลาะเรียกว่าวิวาททะเลาะวิวาทนทะเลาะคูยกับวิวาทน์เองเพราะว่าเกิดจากวิวาทคือเห็นต่างกันพูดต่างกัน่หลจริงๆมันความเห็นนะมันต่างกันมาตลอดอยู่แล้วคิดต่างกันตลอดจนแล้วพูดต่างกันทํากันตลอดเวลาอยู่แล้วเริงๆมันคือการทะเลาะวิวาทตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่มันไม่แสดงออกอะไรยังงี้เพราะฉะนั้นเราที่เป็นนักฝุกชั้งหันนักปฏิบัติทั้งหลายผูค้ควรจะเอาสิ่งเหล่านี้มาปราะกอบกวดน้อมหรือสอนก่อนตัวเองถลงพ่อจึงบอกว่าคนอมธรรมะมาให้แล้วราทุกวันถามสาระประจุนั้นนี่เนนถามปัญห า, า, าสาระประจิตาเจตปัญหาที่ถามก็ไม่ เ, เกี่ยวกั บ, กบตัวตัวเขาเลยเ ข, า, ขาไม่รู้ไม่รู้วมันเป็นปัญหา สุดท้ายจะกลายเป็นยุดอำนาจมันเป็นปัญหามันก็แก้ไม่ได้แต่ปัญหาเลยจะให้คนอื่นไปแก้มันไม่ได้เพราะไม่ใช่ปัญหาตัวเองเดี๋ยวเราไม่แก้ปัญหาเพราะเราไม่รู้ของเราไม่รู้นะคืออวิชชาเพราะมันไม่มีวิชามันไม่มีความรู้ในเรื่องท่าสีกขันห้าอะไนี้จะเรื่ออวิชามมันได้แปลว่าไม่เห็นไม่รู้เห็นแต่มันไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริง ตามความเป็นจริงมันจึงปล่อยไม่ได้มันจึงวางไม่ได้มันจึงละไม่ได้มนุพุทธเจ้า ม, มุ่งปฏิาสาทธิกันห้านี้เท่านั้นมันก็ฝากพวกเราทุกคนนะคุณท่านฝากปฏิบัติตราบใด้ที่เรายังไม่เข้าใจในเรื่องธาตุสี่กันห้ไม่ ส, มสมามารถตีะไปวางแยกออกไม่ได้ว่านี่เหมือนแค่แค่ธาตุแค่ขันนะเอเรื่องนามเรื่องจิตมันเป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากๆ แต่เอาแค่รูปแค่หนะตัวนี้เรากลายเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเขเรียกว่าตรงไหนเป็นใหญ่ในชีวิตไปแล้ทาสีนีลเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงไม่ไม่ใช่มันเรื่องใหญ่ก็คือตัวน้ํามคือจิตะ เ, เป็นเรื่องใหญ่เพราะมันยังเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ในวัฏะสงสารอันนี้คือยังวนอยู่กับความคิดคําพูดการกระทําเดิมๆอย่างนี้จเรียกวัฏฏเราว่าวน สิ่หลนี้มันวนอยู่ในชีวิตยอยู่ในวงจรของพวกเราอย่างเช่นความคิดมันไม่ไปไหนที่ไหนเรื่องเดิมๆเนี่ยแหละครับพูดกับมันไปไหนมันไม่ดีไปก็เก่กาการกระทําหรือแสดงออกหรือพฤติกรรมมันก็ไม่ไปเรื่องเดิมมันก็วนไปเรื่องการมาพบรู้พอารมณ์พบเรีรรรรวัตตามันวนอยู่แต่เราไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่สู้ว่าที่จะตัดสิ่ ง, ไ, งไหน เราจะไปเข้าใจอ่าวัตาะเกิดจากการวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่วัตตะยืนอยู่กันนี้เกิดขึ้นทุกวันเป็นวัตตะทุกวันเป็นวงจรทุกวันวงจรในความคิดการพูดการกระทำอันี่คือวัตตะใครที่จะสามารถที่จะเห็นวัตตะอันนี้ให้มันสั้นที่สุดให้เร็วที่สุดว่าวันนี้คือวัตตะนะนี่คือวงกลมนะถ้าเราไม่สามารถที่จะสลับจะตัดความคิดการพูดการกระทํานี้ออก หรือว่าเข้าใจหรือว่ารู้เท่า ท, นทันในตัวเองเรานี่ยนั่นคือตัวเองวัตตาแท้จริงสะสมวัตตาทุกวันเป็นวัตตะทุกวันไม่ต้องรอพบราชาดามาอยู่ในการประพบไหมผมคิดอันเนี้ยผมคิดอยู่ในรูปประพบไหมเขาพูด ก, กันกระทำอยู่รูปไหมอ่ะรูปประพบไห ม, ร, ปป ร, ไหมรูปคือราชรูปประชาการูปประชามันก็ยังวนเวียนอยู่เหมือนเมื่อเราหลับไปแล้วเราก็ยังเห็นรูปอยู่เห็นมัน มันก็ยังเกี่ยวข้องอยู่ทั้งที่ตาทำท่าทีไม่ได้โหทคท่ทีในปากทำท่าทีไม่ได้ร่างกายก็ทำอย่างเหลือแต่ลมแต่ทําไมนอนหลับแล้วมันยังเห็นภาพอยู่เขารู้ควานิมิตคือเครื่องหมายอยู่นั่นแหละนั่นแหละที่เป็นระวังขีดคือขีดที่มันเป็นพบเป็นชาติมันเป็นพบเป็นชาติทุกวันอยู่แล้วในขณะที่ลืมตาอยู่มันก็ฝันแต่เป็นฝันที่มันเป็นจริงตาเห็นรูปมันกรู้ มันก็คิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือความฝันแต่เวลานอนหลับหลับไมันไม้เห็นด้วยตาได้มันก็แสดงออกเป็นภาพข้างในขึ้นมามันนึกอะไรขึ้นมาทีมันก็เป็นภาพทีนึกอะไรขึ้นมามันก็เป็นภพทพาทีลักษณะของเจตที่มันดับคือมันออกจากร่างแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันไปตามสวยไปตามพบตามชา่างไปเสวยสวยคือเริ่มต้นจากไหมรูปแล้วก็เวทนาเวทนานั้มันจะไปว่าสวยชนะสัญญาสกัดจิตญาณเนี่ย เรื่องการสะเวอยอารมณ์ทั้งนั้นอารมณ์สิ่งที่รับมาไปดึกสะ เ, เวอยทั้งนั้นส่วนรูปรูปยามเนี่ยมันดับมันทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่พัฒนาเหมือนพวกเราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เรามีรูปครับอันเนี้ยครบสมบูรณ์ไม่มีพบไหนมีหมนพบเราเไม่มีพบหนพบมนุษย์นะโลกข้างบนไม่มีโลกขล้างล่างก็ต่ํากว่าเรา ยังไม่พูดถึงนรกนะมันพัฒนามาแล้วเอาแค่สัตว์เดรัจฉานมีแค่รูปเมื่อบุเราแต่พัฒนาอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมรูปของคนของมนุษย์เท่านั้นที่พัฒนาได้มันละถอนปล่อยวางได้แต่เราไม่สามารถจะละถอนปล่อยวางเพราะเรารู้ไม่เท่าทันความเป็นจริงคือไม่รู้แจ้ ง, จ ร, งจริงตามความเป็นจริงแล้วความเป็นจริงแล้วเขาก็วางความเป็นจริงของเขารูปก็เป็นรูปน้ําก็เป็นน้ําดินก็เป็นดินน้ำํำก็เป็นน้ําไฟไฟลมก็เป็นลม ทำมาช่างมาจิตมนทําจิตมาทําใจอย่างนี้ได้มาจิตออกจากร่างบันก็สบายมันแม้ติดมันไม่คล้องมันไปห่วงมันไม่ห่วงคืออนาลโยมันไม่มีความห่วงหาอวอะไรเในนาคราชที่เรามีชีวิตอยู่เรากระทำหน้าที่เราเป็นลูกกระทำที่เราเป็นลูกมพ่อเปแม่กระทำที่เราเปนพ่อเป็นแม่เมื่อหมดภาระในที่ของโลกนี้แต่จิตมันก็ไปต่อไปตามอะไรถ้ามันเคยฝึกกระหัดอะไรเลยมันจะเกิดอะไรขึ้น กินไม่เคยฝึกแม่เคยหันกินมันหยาบก็นมันเคยคิดแต่ของแต่ไม่ดีพูดแต่ของไม่ดีคิดแต่ของไม่ดีมันจะไปไหนพบหรือที่อยู่คือภาพมันก็ไปตามภาพหรือพบนั้นนั่นแหละหนึ่งคือพบชาติมันเกิดทุกวันเดี๋ยวไปรอว่ามันชาติหน้าเพราะก่อนที่เป็นชาติหรือการเกิดขึ้นมัน ก, ก็จะพบอืมพบคนแล้วก็เป็นชาติชาติยมาชราปเจริมารณะนะ อ, ย อ, อย่างต้อยเห็นเห็นะที่เป็นรูปนนี้ ก่อนๆนั้นมันคือพบวนไปเวมาอยู่อย่างนี้ไม่มีาศาสนาไหนที่สอนเหมือนพวกเราที่สอนอย่างนี้ไม่มีมีแต่ยกคนประโยชน์นให้แก บ, บุงผลอย่างเดียวจบเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้บุ้งบนรู้ตัดสินอธิบายไม่ต้องไปถามหาไม่ต้องหาเหตุไม่ต้องหาผลไม่ต้องหาความจริงเลยทั้งสิ้นมันต้องไปพิสูจน์ด้วยมีแต่ของเราเท่านั้นอ่ะที่เป็นวิชาที่มันพิสูจน์ได้โูมาโอไม า, มาเปรียวเที่ยบเรี้ยวเคียงได้ ตึงเป็นศาสนาของเราถึงถึงมานสองปันกว่าปีมาแล้วถือว่ายอดเยี่ยมมากเพราะนั้นฝากพวกเราทุกคนว่าสิ่งที่เป็นมาตรฐานที่สุดในโลกก็คือพรารถนาใจนอกนั้นสิ่งที่เป็นไม่มีมาตรฐานใดอย่าไปคิดถึงอย่าไปพูดถึงอย่ามาอ้างอิงอย่ามาอภิปรายโอภูมิโอภูมิไร้สาระอย่าไปยกคนนั้นยกคนนี้คนนั้นเป็นนะคนนั้นเป็นนี้เขาเป็นใครอะมาตรฐานเนอย่าไปพูด มันไม่เกิดประโยชน์อะไรมิตรความขัดแยงเกิดขึ้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันจะอ้างว่าอ้างพรนะพุทธเจ้านะพะพุทธเจ้าตัดจากนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้พูดเจ้าน่ะพูดเด็กความจริงทำเแต่ความจริงพระุทธเจ้าพูดอย่างไงทําอย่างนั้นทําไงพูดอย่างนั้นพูดเด็กความจริงเพราะนั้นเลยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือความจริ ง, งติไกไปฏิเสธผันเขาก็เป็นความจริงของเขาอยู่อย่างนั้นโดยสภาวะเนี่ยทำมาสังฆคือต้องเป็นสังฆจริงๆ คือต้งเป็นผู้น้อมผู้นําเป็นผู้ไปตามผู้ที่เจ้าและได้ผลให้การปฏิบัตินั้นๆที่เรียก ว, ว่าอาริยะสงฆ์ต้อเชื่อฟังท่านเหล่านั้นส่วนนอกนั้นไม่มีมาตรฐานใดๆเลยเพระแม่ครัวอาจารย์กุเจริอรอยตามเป็นสำคัญเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนอกนั้นไม่ต่างอะไรแม้แต่พรสงทั่วไปก็เหมือนกันเพราะนั้นต้องเอาพระตัณใาเป็นหลักถ้าเรามีแนวคิดอย่างนี้ก็จบ แล้วก็รู้หน้าที่ของตนเราเป็นคารวาตนะคารวัตนะมีที่คุณศักดิ์อย่างนีอย่างที่เราให้ฟังเนี่ยคุณสักดิ์คารวัตเป็นอย่างนี้คุณศักดิ์ก็นักปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่จบลงที่ศรัทธาแล้วก็เลี้ยงไปเลยสะท้ามต้องคอมเพียนด้วยนะจะทาวริยะสติสมาธิปัญญาจบลงที่ปัญญาด้วยตนเองเรื่อปัญญาอย่างเกิดขึ้นเมื่อปัญญาอย่างเกิดขึ้นแล้วสมาธิย้อนกลับไปข้างหน้าข้างหลังได้หมดแล้วก็ บอกใครไม่ได้เพราะไม่ ใ, ใคย ร, รู้กับเราไม่ใคยเห็นกับเราถ้าพูดไปก็มีประโยชน์อันใดพระเจ้าก็ไม่ได้สรเสริญแม้แต่พระก็เช่นเดียวกันไม่ได้สรเสริญแต่ทั้งจะพูดเป็นเปในในมี อ, อ, อุมาอุมาเปรียบเทียบไปฟังเพื่อเรารู้ให้ตระหนใจไม่ได้พูดตรงตร ง, ตรงว่าข่าวาเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้นไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในสาวของพระพุทธเจ้ายกเว้นผู้อิงผลประโยชน์อิงลาภสักระะเท่านั้น ที่จะพูดว่าข้าพเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้อย่าง น, นู้นเพื่อลาบสักระพระพุทธเจ้นานับอกว่าเมื่อลาบสักระเกิดขึ้นแล้วลาบสักระนั้นแหละจะฆ่าเขาเองลาบสักระจะเกิดขึ้นจากการพูดอ้างเองอุบมาอุปภัยเพทียอุปสรรคปัญหาสารพัดอิทธิปฏิหารทายแหลยคนศรัทธาลาบสักระมันขึ้นลาบสักระขึ้นตัวนั้นจะเป็นตัวฆ่าเขาเองไม่ต้องมีใครฆ่าลาบสักระ ปุจจงบอกว่าลาภและสักระยำฆ่าบรุทยัยบวานั้นถ้าเราจยูดได้ด้วยาลาภด้วยสักระก็จะเป็นรูปแบบวก็จะเป็นอย่างนี้ว่าอันนี้คือสารธรรมสำหรับพวกเราขาคืนวันนี้มีอะไรก็เคยมาเล่าให้ฟัาจะเช่นว่าหลวพอไม่ได้คิดว่าขเขามีอุปสรรคอยอะงยะคิดเองว่าเขาเอาธรรมะมาให้ แล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็บอกเขาว่าทำจริงๆมันสภาวะอันเป็นอย่างนี้ทีรรับรู้มานเมืนมในใจไม่ใช่สภาวะสภาวะธรรมเป็นอย่างนี้ผู้เชาวตัดอย่างนี้สภาวะธรรมแล้วก็เป็นจริงเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ได้แท้จริงคุณสภาธรรมเป็นอย่างนี้ที่ธรรมมาทั้งหมดก็โอมาโอไมไปเที่ยวดื่มเกียงหรือเราก็จะได้ประโยชน์เนี่คือสาระธรรมสำหรับฝากพวกเราขําคืนวันนี้หวังว่าฟังแล้วคุณได้โอมาโ อ, โ อ, โมมอไมเป็นกําลังใจ ให้พวกเราทุกคนว่าพวกเราเป็นคารวะญาติโยมเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายสามารถที่จะเข้าถึงได้หมดมีอะไรยกเว้นมีคุณสมบัติอนุคุณสมบัติของเราเปียนแต่ว่าเราต้องทำให้มันครบเสถียทางวิริยสะสติสมาธิปัญญาต้องมีให้ครบในสมบัติในตัวตนของเราแต่ทางเดี่ยวมือหอมมันไมนน่ได้อยากไปจบพิเศษทางอะไรกันก็ขอรุ่งม utra ขอดีขอพวกเร า, เราทุกคนขอความดีที่เราทําในค้ำเคืนวันนี้ ถึงแกบ่บรรพบุรุษของเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้หยิบคนทั้งหมนขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ผู้เราทั้งร้ายได้กระทำความเป็นในคําพืนวันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลเกียรติยศ น, นาการแสดงธรรมก็ก็ส่วนแก้วลาอาทิตนี้ก็ขออนุโมทนาขอรู้ใจเมืขอเจริญทางทางโลกและทำทำ ท, ท, ท, ทุกคนทุกทางเถอด